คำว่ า, าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไม่ว่าพระองค์ใดสอนด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนโลกไม่มีคำว่าดลเดาสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้ว ความทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นนั้นจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวัสขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนั้น จึงเหมาะสมเต็มส่วนลำดับจากพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วผลก็ปรากฏโดยลำดับลำดามีพระสาวกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามตามสติกำลังความสามารถของตนแมแม้จะไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดเหมือนพุพพทธวิสัยก็ตาม แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นได้โดยสมบูรณ์เต็มกำลังหรือตามกำลังของพระสาวกที่ได้รู้ได้เห็นตามไม่มีที่คัดค้านพระพุทธเจ้าทันต่อมาต่อมาโดยลำดับก็ค่อยเลือนลางจางไปจางไป สิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีสิ่งที่เป็นบาปก็เหมือนไม่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเหมือนไม่เป็นบุญสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงแต่สิ่งที่ปลอมเหมือนจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งของปลอมกลับกลายขึ้นมาเป็นของจริงให้ผู้เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจ ไคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ยผิดกันอย่างนี้อ่ะคือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆบรรดาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูก ปิดบังหุ้มห่อเอาไว้โดยลําดับลาดาจนกระทั่งกลายเป็นความปิดบังอย่างหนานแน่นพระหนึ่งว่าหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาดูไม่ได้ลืมตาดูพูดออกมาคําใดจึงมักเป็นไปตามความอยากอันเป็นเรื่องของค่าสึกแห่งธรรมที่เรียกว่าอาธรรม ไปเสียเป็นส่วนมากนี่ิึงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าด้วยความรู้ความเห็นลึกตื้นยาบละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วย เหมือนครั้งพุทธการเรื่องจริงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายศาสนธรรมก็ศักดแต่ว่าชื่อมีในตำลาก็ก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมากนี่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเรา และต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำซามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตาหลับตําลาไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดีและเป็น คิดเป็นภัยต่อการกระทำของตนโลกจิงนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันการว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยไถ่เดียวต้องบวกเราเข้าเป็นเป็นลายลายเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บกกร่องเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อเราจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีน้ำหนักไม่มีอะไรเกินเพราะทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระไทยในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบลอยๆหรือแบบคำบอกเล่าเหมือนเราทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นหล่านั้นซึ่งก็เป็นเพียงลอยๆไปเท่านั้น ไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองหรือไปประสบพบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วพูดได้อย่างจะแจ้งหรือพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมกับกําลังใจที่พูดด้วยความรู้ความเห็นนั่นจริงๆเนี่ยผิดกันที่ตรงนี้พระสาวกก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วกาน มาพูดในข้อข้อธเนีแยใดจึงพูดอย่างเน้นหนักพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดอย่างอาจหานพูดด้วยพลังของจิตที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆผู้ฟังย่อมจะซึ้งภายในจิตใจผิดกันที่ตรงนี้เราฟังตามคำบอกเล่ากับฟังตามที่ผู้ที่รู้ที่เห็นมาพูดให้เราฟังนั้นมีน้ำหนักต่างกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษของพระองค์และออกจากสาวกทั้งหลายที่ท่านแสดงเองนั้นจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวผิดกับที่เราศึกษาเราเรียนตามตำหลับตำลาหรือผู้มาแนะนำสั่งสอนเราก็เรียนมาจากตำหลับตำลาและปฏิบัติแบบดุด่นเดา แล้วก็นำมาสั่งสอนมุประหนึ่งว่าลูกๆคำคำในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจริงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิตใจของเราให้กาเริบสืบสารหรือให้ร่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องรอยๆเหมือนธรรมที่ปัญญาแก้กิเลสตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้าหนักมาตลอด ไม่เคยมีความจีดจางในตัวเข้ามันเลยนี่แหละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงแต่เม็ดเต็มเหนื่อยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไม่แล้วจริงๆผิดกันอยู่มากจึงเป็นครูอาจารย์ที่หายากมาก ผู้สะสาบแสวงหาได้ในครูอาจารย์อย่างที่กล่าวมานี้นับ ว, ว่ายากมากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปแม่ที่สุดที่ข้อมือคนคอคนไงมันยังไม่พวกสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ ทรงคุณท่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยโดย้วยด้วยเพื่อ ค, ความถูกต้องแม่ยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวเนยิ่งค่อยร้อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่ธรระทให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อน อ่อนข้อลงไปปล่อยให้กิเยสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลําดับลําดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกแสดงออกด้วยความทุกข์ความลําบากทั้งนั้นโลกยินหาความสงบรลมเย็นในกิริยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงนั่งส่วนร่างกายออกมาเนี้ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้น จะไม่มีได้ยังไงก็ต่างคนต่างสังสมต่างคนต่างก่อขึ้นภายในใจก่อนแล้วก็ระบายออกมาทางความประพฤติเมื่อไฟต่อไฟและไฟกับเชื้อไฟได้เจอกันแล้วทำไมจะไม่แสดงเปลวขึ้นมาพร้อมกับความเดือดร้อนวุ่นวายให้เผาผลาญซึ่งกันและกันโลกกว้างแสนกว้างจึงหาความสุขไม่เจอ เพราะที่สถิตของความสุขอันเป็นสิ่งสำคัญดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือใจไม่มีจิิยาของจิตที่จะสอะแสดงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภารใจิตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังนั้นไม่มี ยังมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรามานแล้วอยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยไปแบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมหายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความวนเลยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเมื่อเป็นฉะนั้นทุกจะไม่เกิดได้อย่างไงทุกจะไม่จะ นีไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิยาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลําดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันและกันให้รับความมุ่งเหยียดร่มเย็นด้วยกันเลยนี่แหละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาลหมื่นแสนจักรวาลเราอย่าไปมองให้มองดูหัวใจ ของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสาคัญด้วยเหตุนี้เองาศาสนธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจั ก, กรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอารับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญและจะเป็นผู้ชํนาะสาสตร์สางสิ่งที่ปินป่นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของสัตว์โลกแต่ละหลายหลายเท่านั้น ธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นเนี่ยยินฟ้าอากาศไปสอนเขาทํำไมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วสิ่งที่ เจะแสวงหาด้วยสิ่งที่กอบโพยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องหรือเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพรฒน์สอนให้เป็นทางดำเนินที่ถูกต้องนงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกีกับกีกันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะ สว่างสั่งซาไปไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะมีแต่การสั่งสมสิ่งที่จะให้หนานแน่นลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานและความร่วมจมทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีทางเดินแต่ทางของกิเลสนั้นไม่บอกมันมันก็คล้องตัวมันแล้วมันก็พาเดินในทางนั้นหลับหูหลับตาเดินก็ถูกไม่ต้องลืมตาละธรรมชาติอันนี้กิยาการใดแสดงออกมา เป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงมอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาในอากัศวิญยาใดเพราะฉะนั้นไปสู่พบใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นชนี้เราเห็นยังไงบ้างกับาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงามแล้วกำจัดปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเอง ออกด้วยการสดับตรับฟังคําสอนของท่านเรามีคําสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดาเนินตามกลับไม่มีเลยก็เสือกกระสนไปตามอานาจของเจเลตันหาเลื่อยมาดังที่เป็นมานี้อันไหนดีน่นเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคำพีกอดธรรมะกอด เข็มทิศทางเดินที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ได้พยายามตักตวงเอาเสียในเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเพื่อสนองความหวังของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงอนาคตจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นอกจากทำเท่านั้นจะเป็นเบรกห้ามล้อให้ยุติการหมุนเวียน ในวัตจักรนี้นอกนั้นไม่มีเราจ ะ, จะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติเราอย่าหวังเพราะมันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเวียนมาหมุนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ว่าสูงสูงก็เพราะอาศัยอาํานาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่ําลงไปตาเสียให้ไม่มีเหลือด ภานจิตใจเลยนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหวังไว้ในหัวใจของเราอย่างเต็มที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆเลยอ้าวตายวันไหนก็ตายเถอะแตกวันไหนก็แตกเถอะเพราะความรู้นี้รอบหมดแล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วและเราก็ดําเนินถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราสงสัยอะไรแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรง มาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามเพราะว่าคำตั้งสอนนั้นคือพระองค์คือเป็นธรรมชาติบันลดอันสำคัญที่ทรงหยิบยื่นให้แล้วใครจะยึดก็ยึดใครจะถือก็ถือถ้าอยากจะให้หลุดพ้นไปโดยลาดับให้มีความหมายแก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ยุติในการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นฝืนเป็นไ ภ, ภายในภพในชาติอันมีดวงใจเป็น ผู้รับเคาะอันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานีดสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนที่สงส ง, สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทําไมจึงไม่สงสัยเหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดปร่าบรรตานี้ เห็นบ้าปล่ันตานแล้วเราสงสัยอะไรที่นีแต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเขา้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการไปเห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนิบาปบุญคุณโทษ น, กนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระาว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจมาเพือปฏิบัติตามพระาว่านี้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นพระอาจารยขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความทรงหวังให้แก่ตัวปเรืมอยๆอั น, นเรื่องความทุกข์ความยากเพราะกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกๆยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นทโทษของมันอยู่เหรอ ก, การประกอบความเพียรหรือจิตจของเรามีความสงบรลมเย็นน้อยหรือรลมเย็นยาก ปัญญาไม่ว่าเกิดก็เพราะอะไรเป็นผู้ปิดบังปัญญาไว้เพราะอะไรเป็นผู้จีดการจิตไม่ให้สงบไว้นั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นตัวไหนจะเป็นอะไรผู้ที่สินจิเลนแล้วท่านไม่ได้มาบน่นถึงเรื่องว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตเป็นทูกท่านไม่เคยมาบน่นก็เพราะสิ่งที่ทําให้บ่นนั้นมันสิ้นซากไปจากใจแล้วท่านจะเอาอะไรมาบน่นนี่เอาอันนี้เข้าไปเทียบกันสิ อะไรมายากท่านไม่ได้ยากคําว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมุติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดอันมับผันศีษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าไม่ออกการก้าไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัตตจักรมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วเหรออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกีห่หน วาดมันลงไปให้มันขาดชาบ้านมันไม่มีอะไรเหลืออยู่พายในใจแล้วเป็นยังไงให้เห็นในตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านารกมีจริงให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่เป็นไรเราจะสงสัยไปไหนนรกเ อ, อก่อนนรกเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ามีจริงพระอุพอเห็นแล้วของไม่มีจะเห็นได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงนํามาสอนได้ยังไงเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ด้นเดานี่บาบุญนรก ใครเป็นคนทำบัติสัมพันธ์แบก บ, บาปหาบกรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเราเรา ท, ท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่ยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันใหม่บาปคืออะไรความสมองมืดตื้ อ, อก้าวไปไหนก็มีแต่เหยียบความหยียบหนามนั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางบาปความสมองคืออะไรก็คือกองทุกเหยียบหนามเป็นทุกข์หมายนั่นเราจะกล้าไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่ โดนทุกข์โดนทุกข์มันเป็นของดีไหมนี่หละเรื่องของกิเลสหลอกลวงหัวใจของโลกมันหลอกอย่างนี้ทำพระพุทธเจ้าทรงแก้ทรงถอดทรงถอนอยู่ตลอดเวลาแล้วผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจกนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์ข้างหน้าที่จะมาตัดกระลูกก็ตัดแบบเดียวกันเอาอะไรมาผิดแปลกกันเพราะมาสอนสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้นอืม ภาวะกิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราสอนวิธีแก้กิเลสก็สอนแบบเดียวกันกับท่านผู้ที่สอนไปแล้วได้ผลเต็มที่พอพระไถ่คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนโลกจนถึงขั้นมืิสุูตรวิมุติพันิพานได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคําวำสอนเบียบเดียบแบบเดียวกันแก้แบบเดียวกันแก้กิเลสเมื่อเป็นฉะนนั้นเราจะเอาแบบไหนมาแก้กิเลสเป็นแบบแบกบแนวจากพระพุทธเจ้ามีที่ไหนแบบแบกบแนวของพระพุทธเจ้าก็มีแต่แบบกิเลสนั่น ที่มันเคยหลอกลวงมาพาแยกเนวมามากต่อมากแล้วเราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนเอามาแก้เจ้าของสิเอาสร้างปัญหาขึ้นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาที่แก้ตัวเองไม่ใช่ปัญหาผูกมัดเราเป็นปัญหาที่จะแก้ที่คลายออกให้เห็นเหตุเห็นผลแต่มันเห็นประจกักษ์สิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเต็มพระทัยแท้แทในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เอามาหลอกโลกนี่นะปฏิบัติลงไปให้มันเห็นจะชัดภายในจิตใจนี่เป็เลย ของมีอยู่ทําไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทางนั้นทําไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลานี้เราไม่เห็นมันก็ทำมาทั้งปวงนี้สอนเพื่อจะเห็นกิเลสเพื่อจะละกิเลสเพื่อให้ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทําไมจะเห็นไม่ได้ฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใด ทำข้อใดทำหรืออันใดม า, มาแก้มาฆ่าเรื่อยก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ได้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้งนั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดๆร้อนๆแท่านจะเรว่าอาการลิโกฟังแต่ว่าธรรมมันเป็นอาการลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคําว่าคลื่นไม่มีคําว่าล้าสมัยไม่มีคําว่าหมดสิ้นไปแล้ว เป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแลสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นสิ่งที่ควรละสอนให้ละอืมสิ่งที่ควรบําเพญ็ญสอนให้บําเพญ็ญไม่ล้าสมัยสอนให้ละละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บําเพญ็ญก็บําเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้ขีเกียจตัวขีเ้เกียดเข้าไปเหยียดย่าทํำลายความเพียรนั้นเสียเน่กระทั่ ง, งก็สอนไว้อย่างนี้แล้วธรรมมาของพระเจ้าเลยมีถึงแต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้ เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทํำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญใครก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานจะไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้นมันมันประกอบหรือมันทําอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอํานาจจิเลตมันบีบบังคับให้ทําราคะเป็นยังไงความก้หนัาจริงๆมันเคยมีประจําโลกจำองศาลจําใจท่านประจํากับใจท่านใจเรามานานเท่าไหร่แล้ว มันทำไมจึงไม่คืดทำไมจึงไม่ล้าสมัยทำไมจึงทําให้ติดให้พันอยู่ตลอดเวลาจกนกระทั่งบัดนี้และยังจะติดพันกันอีกตลอดไปมันมีเวลาจิดจางที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพิสเห็นภัยมันแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงไม่ยอมละยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษตามพระองค์ท่านธรรมนั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ราคาตันหาก็ดีความโลภความโกรธความหลง ก, ก็ดีปีแต่ของต่ําตามกว่าธรรมทั้งนั้นทําเป็นกําจัดปากเป่าหรือทําตําหนีทั้งนั้น ทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดิีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่รับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะอาหาความสุขความจเจริญความเลือเล่อเรือมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลือเล่อเรือให้ใครทั้งนั้นนอกจากสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนถามมึนสิเราจะไปถามกันนอกถา ม, ถามในวงวันนี้ก็ถามถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันไปนยังไงขนาหนึ่งมันเย็นไหม มันมีแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกังวนกไไวดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทําไมไม่เห็นโทษของมันดิ้นเรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหาขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีแต่กิเลยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เข็ดไม่หลับอยู่เหลยให้มันดิ้นทางธรรมผันกันก็หัวกิเลสให้มันขาดสะบัดลงไปดังบุคคลิจาและสาวกท่านดิ้นมั้นไปไหน นั่นท่านสอนอย่างนั้นนะมีก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาจฐานผู้นึ่งอะว่างนี่นะไม่สะทกสะทานก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เอาอะไรมาสะทกสะทานไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่างไงอีกถ้าจะลงไม่เอาแล้วกมันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นยิ่งเหล็จเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหะมันจะถึงทุกพาให้ถึงทุกอีกตลอดเวลา ถ้าทำไม่ถึงใจความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไม่ได้แล้วพวกเราจะทํายังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของสิอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลอรเริอไปเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครังกิเลสปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนทุกค น, ท, กคนทุกลายทุกลายใครเลิอดเอามาเทียบกันสิเอามาเป็นคู่แข่งกันสิแข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอา ลมออนแล้งมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิศว่าประเสริฐนั้นดีอันนี้เสกสรรปัญยอมีแต่ลมแต่แลรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือขี้เีย่หลอกคนถ้าทําแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นเรายกตัวอยางตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี่ก็รู้ก็เป็นนะสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันมันไม่ได้เป็นมีแต่ลมแต่แลรงเป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงเย็นจริงๆนะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรย์อยู่กับใจนี่ มันเป็นรวมๆแรงที่ไหนนี่แหละทำเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนหละ่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาคนนี้เอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นลมลุกคุกครานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกตียวเป็นหลักธรรมะเป็นเป็นอัตโนมตัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลส หลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาประเภทนั้นนนนนัั้้ได้เลยก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมลแรงแงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการลากกิเลสลากได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลยประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดๆอยู่นี่เป็นลมลมแรงแรงที่ไหนทำไม่ใช่ลมลมแรงแรงไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกนี่ก็พูดอย่แล้วธรรมนั่นคือความโกหก มันมันโกหกอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันธุ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทํำยังไงอยังไม่เบื่ อ, อยหรือการเกิดตายในโลกนี้มากกี่กับกี่กันแล้วประมวลมากใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดูดวงหาประมาณมาได้ทั้งเกิดทั้งตายแท่านท่านก็ บ, บอกไว้แล้วในธรรมไม่มีคําว่าต้นมีคำว่าปลายพัฒนาไม่ได้เลย เพราะความหมุนเวียนเกิดตาเกิดตาอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มีทำมาเป็นเครื่องแก้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกลับตลอดกันอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเบื่อหัวใจคนแล้วปล่อยให้ไปสวัสิภพันและหลุดพ้นจากทุกเลยไม่มีวันถ้าไม่ใช่ทำเป็นเครื่องถอดถอนไปแล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่แหละถ้าเราไม่มันก็ยิ้มยิ้มย่องต่อพระโอวาทของสองสามพระมูชาติและมัณนาของตัวที่เดิมาบวชเป็นเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระนี้เราจะไปหวังเอาอะไรนี่ลาบ เกิดเฉพาะหน้าแล้วนะ่ะกิดโฉมนุษย์สัพิลาโผลาคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในพระพูดปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับกิเลสเป็นมามากตายมามากแล้วมันวิเสียษวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่ลงสิฉลาดลงไปเพราะนี่เห็นความประสเสริฐเลื่ลเรอดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูด เราเป็นสุดๆล้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเองเมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องสองสมมติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะเนือตาก็เพียงแต่สัมผัสแต่ทางทางรู ป, รปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นคือกิริยามสมมุติที่มันรับกันคืออา ว, วัยวะของเราหนี่เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกยลิ่นรถเครื่องสัมผัสเ ป, เป็นสมมุตอนนิอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็น สมมติอันหนึ่งหนึ่งแต่และอย่างละอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันเพียงยิบแยบยิบแยบแล้วดับไปดับไปดับไ ป, บไปเพียงเท่านั้นวันนี้เสียดิสุออะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์ดุจท้นจากสิ่งทลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้แหละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้กล่าวก็รู้ดัง พ, ดรพระพุทเจ้าและภาษาโบกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงได้สิ่ง ทำซ้ำตั้งหนาได้ดุดลอยประจักษ์ใจแล้วทำมากกว่าสดสดร้อนๆที่ท่านสอนไว้หนาไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยเนี่แต่การปฏิบัติของเรานี่ที่เอาแต่กิเลดไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นาศาสตาแทนาศาสนธรรมของพระเจ้าไปเสียญอันนี้ที่ที่สําคัญมันจึงหาความนุ่มเย็นเป็นจุฬาจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้เกี่ยวกับใจเลยจะมีความหวังเป็นเค่สต็อป ถนงเราได้ยังไงเรารีบสร้างเลยเอาให้ดีเอาให้จริงเลยยากก็ยากเถอะยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ่มไปเป็นไรอ้าวตายด้วยความสร้างการสร้างความดีอาตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมาคุชลาก็ได้ถ้าหลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละเอาให้มันจริงจังผู้ปฏิบัติหมดเข้าหมดข้าวนะนะกูบาอาจารย์บีตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อน เห็นได้จึงต้องคิดถึงหมื่นก่าก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ไปยังไงเจ้าของกระเสือกรกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์เพื่อุความดุดพ้นเท่านั้นอืมการปฏิบัติธรรมไม่เพื่ออย่างใดเราเพื่อความดุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดส่องหาครูหาอาจารย์จึงสอดส่อง แ, ม, แงงงม้เราจะขี้เี้ขี้เหร่โง่เขาบอปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นย ำ, ยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิ เรื่องความทุกข์ความลําบากในการสอสดงหาครูาอาจารย์นี่ยากมาชเลี่นนะที่จะสอนเราครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราด้วยความถูกต้องมั่นยำไปที่ตายใจตรงได้นั่นนะ่ะฮในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเอก เ, <อ>เราหาที่ค้านมาได้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มามากขนาดไหนเราคิดดูสิท่านแม่นยําขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นของท่านไม่คาดเคลื่อนจาก สาวกทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยเป็นระดับเดียวกันธรรมะระดับเดียวกันป ฏ, ปฏิบัติระดับเดียวกันการสอนระดับเดียวกันผู้ปฏิบัติตามท่านจึงได้สร้างความดีขึ้นเต็มหัวใจตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูแล้วเห็นไม่ลูกศิษย์ของ พ, พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีมากไหมใครจะท้าวกว่าเราจะพูดเป็นแบบคู่แข่งใครหามาคู่แข่งมาเป็นคู่แข่งที่สมัยปัจจุบันเนี่ยผูบาอาจารย์ทั้งหลาย เหานี้มีกระเพชะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งน้ำเวลาอยู่เฉยก็เหมือนมีดอยู่ในฝักเหมือนโง่ที่สุดเวลาไปพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัตินี่ก็โอ o จะแสดงอาการความสง่า ง, งามขึ้นมาแผ่วพาวแผ่วพาวแล้วก็ขึ้นก้าวถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่และองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็นพื้นพันในจิตใจแล้วเหมือนกับมีดที่คมปีิบที่เดือพันนั่นพานนั่นอยู่ในฝัก พอดออกมานี่กราดเป็นที่ไหนขาดจะบั้นไปหมดเลยนี่แหละจิตใจที่เป็นจิตใจที่คมในฝักเป็นอย่างนั้นพูดตรงไหนถูกหมดก็ท่านรู้หมดแล้วแต่จะให้ท่านพูดผิดไปตรงไหนพูดถึงเรื่องสมาธิท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยวิธีการใดท่านนาวิธีการนมาสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดถึงผลเป็นยังไงท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นเดียวกันเพราท่านถึงปัญญาลิมูธหลุดพ้นท่านทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านอจะโซกสะานในการสอนได้ยังไง ท่านไม่ใช่ตัฐานเพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหยกเทิดทูลธรรมะมูริเจ้าไว้ไว้บนเสียนกล้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทําบนหัวใจแล้วมอบถาวายผู้ทีเจ้าพระธรรมผสกันเลยนั่นท่านถาวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิย่งกว่าทำเพราะเห็นแม่แดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหรอนั่นพราใหะไร เพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกค้ากันมากี่กับกี่กันแล้วในหัวใจดวงนี้เราเคยคลองกันมาเราเคยผักพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหนมาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี่ออกไปถึงความสว่างกระจ่างแจ้งเลิศเลยแล้วทําไมจะไม่อัศาจรรย์ธรรมบุญเจ้าเพราะทําได้แท้ๆเป็นผู้พาให้หบุดพ้นจากสิ่งจองจำหรือฟืนไฟทั้งหลายแล้วเนี่ยนี่ยสําคัญอยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะมไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยทีเดีย เอาเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบ <okay. S 1> mm ัต hmm. uh ิเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจเพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัติเฉยนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ข้นความสงสัยล่ะไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตําหนิติเตียนใครและพราะวันไม่รู้มีแต่คาบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัย ไอจิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโง่มันมันก็รู้อยู่นี่จังหวะเลมเป็นแต่เพียงหาทางออกมาได้เท่นานั้นเวลาแก้ไปแก้ไ ป, ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมดัดรัดลึงจิตใจของเรานี่มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปความภาคเพียนสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปไตีกระจายออกตีกระจายออก ตอ้เรื่องพบชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไหรมันได้เห็นอยู่ในหัวใจนี่อืมตอก่อนมีแต่พบแต่ชาติจนหากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้อเวลาตัดเข้ามาตัดเข้ามามก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบ้านไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วข้าวนี้อืมอกุปปาเมริมูติความหลุดพ้นนี้ไม่มีทางกําเริบไแล้วมันเห็นชัดแลละแล้วหมายคก็ว่าความเกิดความตายนี้ไม่มีอีกแล้วในะจิตดวงนี้นั่นมันก็รู้ได้ชัดชัดดัง ที่ท่านสอนไม่ได้ทำมาจากกับพระาสูดนัตติดานี้ปุนาพวโภความเป็นความเป็นคืออะไความเป็นอย่างนี้ถ้าเก่ความเกิดแก่จะตายที่หาผามของทุกข์ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตดตรงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบบเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งสิบนันข่าวนี้อุทานนี่ว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหานตา์ตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วทีนี้อยู่ก็อยู่ไปีิ จริงๆเขเคยพูดเสมอว่าความเป็นความตางประหารถ้าไม่มีน้ำหนักต่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเทียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตาได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบา ย, ย, า ย, บา ย, บายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิจ่งอันนี้เป็นเรื่องสมมุติความความมิมุตรหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวอืเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไปแนละ้วเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ว่าราคาไม่ว่า ความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่เรียกหาสิเมื่อมันหายัางเจออยู่ได้จะว่าสิ้นยังไงฮหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ยังไงนั่นล่ะท่ทานว่าท่านสิ้นมันสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิอเลสมันมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมามาเกิดเห็นแต่ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยผัวพันอยู่กับสิ่นทั้งหลายเหล่านี้เกิดจะจะตายนี มากี่กับกี่กันเวลามันสลัดกันออกมัเห็นชัดๆอย่างนี้ทำเอาพระเจ้าถว่าชั้นที่ดโก้ันดีโกป ร, ระกาศท้าทายอยู่ตลอดในทำศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอ า, า, าที่ผู้ปฏิบตัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจ้างไปจ้างไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนีนกิริยาการแสดงออกแม้ตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนียนเราท่าำยังไง หัวพระหัวพระปฏิบัติะด้วยหัวพระกรรมาฐานเช่นเดยอืัพระทั้งหลายเราก็ไม่ว่าอพระกรรมาฐานเราสิตั้งหน้าต่อสู้ขึ้นไปให้เขาเตะเขาต่อยเอาซะจนเหมือนกระสอบออืที่เดชมันต่อยเอาอย่างนั้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่ทราบไปไหนออืที่ไปถลุงหมดศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญามีแต่เป็นเครื่องมือของที่เดชทั้งหมดเป็นเครื่องมือของธรรมไม่มีเลยจะว่างไ แล้วมันจะไม่ถลุยยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพามัน พ, พาให้เชื่อนั่นเสียวิริยะก็เพียนไปตามความเชื่อนั้นเสียสติก็อาจดจ่อต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความชื่อชาติละโมกนั่นเสียปัญญาก็หาอุบายความเฉลียวฉลาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั้นเสียเพาว่าไงคำว่าสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหะคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชัว่ว มุ่งมั่นในสิ่งชั่วละชาระมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้ให้ได้นั่นก็เป็นปัญหาท่านเสียท่านจึงว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันจึงมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปสัทธาเวสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่ต้าไปตามอัตตธรรมสิ่งนี้เป็นก็เป็นเครื่องดําเนินของธรรมอืถ้าจิตมันหมุนไปทางที่เหลือก็เชื่อไปทางจิตเรศมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่นทังอาซิมันอยู่ไหนอยู่หัวใจเราด้วยกันทั้งนั้นอืมขณะนี้มันขยันเดี๋ยวขณะต่อไปมันขี้เกียจนั่นเห็นไหม มันพลิกได้ขณะเดียวเท่านั้นในหัวใจเหล่านี้แหละกิเลกกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันให้เห็นดูสิว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเลิ่แล้วเลิ่อนยังไงภาษาวกว่าอหารหันนั้นท่านเลื่อนยังไงมันเห็นในหัวใจเจ้าของหัวใจนี่เป็นผู้ที่จะรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่นแหะแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนการพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายใจดวงนั้นน่ะเวลาม า, าั ชำระซักฟอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยท<ม>ี่ไม่ต้องบอกก็เลิศไม่ว่าก็เลิศไม่ว่าเลิศ ก, ก็เลิศนั่นไม่มีระคาว่าลมๆแรงๆเสีศสญญันปนั้นยอเฉยไปเรื่ความจริงร้วนๆตเต็มหัวใจเนมื่อวานนี้ก่อนไปเยี่ยมพระป่วยโงสลดเหมือนกันนะนี่เลยจิมจิมพูดออกมาอย่างจะว่า บ้าก็ตามว่าอาถรรพ์ก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทําเราอย่างนั้นเป็นอาถรรพนะอะไรต่ออะไรระโยงระยางเต็มจมูกงั้นทนอยู่ได้จะทนทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกําจัดกิเลสให้มันหมดไปจากษ์ใจแล้วสิ่งเหนี้มันจําเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของนี่แล้วสงสัยอะไรลวดลายของความ บริสุทธิ์ของใจมันเป็นยังไงลวดลายของสมมูลมันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะมาบีบบังคับกันยังไงอืไม่ไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียทีเรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมุติเรื่อเพื่อใช้เท่านั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคภายใกล้เก็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของท่าข อ, ของขันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับ จิตตะวิมุวไม่ได้นั่นฟังสิพระจรึงไม่ควัวห้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ยดูแล้วทุเรศเลย น, น, นี่เคยพูดกับหมูกับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยนะแล้วใครจะมาแตะต้องกายนะอย่ามาแตะ จะทำหน้าที่วาระสุดท้ายพูดไง่ายๆว่าเอาไว้ลวดลาให้เต็มที่ในหัวใจยโยของนี่ซะว่างนั้นก็ไายนี่เพียงเพราะไม่จโชคชะตานในเรื่องเหล่านี้นี่แหล ะ, ะกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้ า, า, า, าดูตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันอะไรสมมุติก็รู้กันูสมมุติเรียนมาเรียนสมมุติปฏิบัติเขาปฏิบัติให้รู้สมมุติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลงกันอะไรแล้วมันเห็นจะใจงานที่นักปฏิบัติ ไปเห็นโอ้โทุเรกสะดุดใจกึกเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานอะไรปรมาณรู้มันมั น, ม, นมันจะไปไม่รอดแล้วหรือว่าธาตุขันนี้อยู่เหลือ ๆ, ๆก็ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มีคำสะทุกความว่าสะทุกสถานนะอล่อยมันถึงขั้นนั้นเถอะนะรายใดก็ตาม หมื่นๆแสนแสนนันล้านหลายก็จะไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความต่างตัวเองแล้วจะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตายอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วอเอาละเด็ดทอนนี้พอเที่ปเปก็รู้สึกเหนื่อยๆเหมือนกันเทปวันนี้รู้สึก เ, กเสียงันดังไปแกล้งคนไปจึงมีอะไรนิดๆเวลาเทปไปงอนจะไปล้างมันไม่ได้นี่มันก็เป็นไปตามเรื่อง ว่าเราไม่ได้ตั้งท่าท า, ทางที่จะให้เป็นมันนเป็นไปตามหลักธรรมชาติเป็นพอดีพอดีอดของตัวเองเวลานั้นจะช้านี่เร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติาเรป็นบงังคับมาได้นะอย่างนี้มันก็มันก็มากระเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็ถ้ากรรมฐานเราจะตายแบบนั้นไม่เหมาะเลยนะผมพูดจริงอะ มันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยก็ตายโดยหลักธรรมชาติของเรายิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วแล้วผู้ลุงคง น, นะอย่าเป็นขันนะคกับเราวางอย่างอาอะไรมายุ่งเราไม่ไม่ลุงผูกเขาท่านปัดปุ๊บเลยพอพออันนี้เข้าม า, าท่านปัด ท, ท, ท่านเทียบกันที่แล้วท่านปัดเพราะอะไรเท่า น, นั้นก็ถึงใจแล้วเริ่มขันหร่าคุณยังไมันอยู่ได้แล้วอยู่เหมือน อยู่ก็ไดก็ปล่อยเลยเพราะธรรมชาติน้ำจมบูนเต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านผู้ท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้นสิ้นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นรูปความเป็นความตายเป็นอากาศวิญยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติของท่านเลยมคนคนละโลกกันมันเห็นรู ก, ก็จวของ จะไม่สาบจะเอาอะไรไปสงสัยเรื่องเป็นเรื่องตายมั น, นโรค ท, ทั่วไปก็เป็นอีกอย่างอ้โหมันคุกค้าเข้ า, ขากันไม่รู้ใครอะไรเป็นไงเพราะฉะนั้นคนเราทิ้งเนื้อทิ้งตัวหาจะตีจจิตตัไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนระสัตว์ละส่วนทํำยังไงก็เป็นอยู่อย่างงั้นคือเป็นหลักธรรมชาติคนลัตว์ละส่วน ยาวนี่ก็เป็นมาถึงขั้นที่ว่า 9.9% ทั้งสองชนิดนัน่นแหละอย่างที่เคยอุดคิดว่าทายท่องอน้องผือก็ก 9.9% ให้เห็นชัดเจนไอ้อนี่ครเหมือนกันโรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เราอหมู่คนฟังว่ามันจะไปจริงๆถึงกับไม่ไม่กล้านอนเลยที่เรายังจะเรายังจ ะ, งจะมันพอจะเยียวยากันได้ก็เยียวยานไป ไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทําไงนั่นมันก็รู้เองไม่พูดเลยค่ะทำมันก็รู้ในเจ้าขอ ง, งเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านผู้ท่นนานจบังคับท่าน ไ, ไปเดี๋ยวนี้ทิ้งยารอหนะ่เอาผมไม่ทำไหมยารอนะั่นรอไม่ได้ น, ะน่ะเพราะท่านรู้งท่านนั่นท่านบางังคับเอาไว้ถึงจุดท้ายคืนนั้นท่านม่ยอมนอนเลยคือพอถึงเช้ามาก็ไป ไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในม้วกับท่านนี่ยจสงสัยไปไหนอ่ะถ้าไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านท่านไม่ไม่ยอมเอานั่งนัหันหน้าเอ้คักนเหล่านี้ผมลืมไะไรท่านใส่ปัญหาให้ให้รู้เรื่องหรือเปล่าขนาดนั่นก็ยังครูบาอาจารย์มีหลายองค์นี่ไปปรึกษาองค์ไหนกัก มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยเลยอย่างนั้นผมออกแ็แค่สิบหกพรรษานี่อุบาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้วยแต่ที่เชี่ยวเข็มนบังคับบัญชาท่านเที่ยวตลอดเวลาอยู่ในมุง้งใครไม่ได้ยินกับเราล่ะอุบาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังอยู่ตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดียเ๋ยวนี้อย่ารอนะอย่ารอเนะน้ะนั่น อันนี้มันมันวิ่งย้อนหลังนะเวลามาเป็นในเหล่านี้จริงจริงอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นแหละมันมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะอั่หรือท่านนอนเวลาท่านหลับเราก็เปรียบเที่ยบดูสว่าเหมือนแชมเปียนกับแชมเปียนที่นักมวยเวลานอนหลั บ, ลบดูเข้าข้อมาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรท่านทายิ้งกปอเนี่ยถ้าเวลาขึ้นเวทีแล้วเอาต่อยกันดูสินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะ มีเวลามันเป็นในเวลาหลับนั่นมันไปได้จริงๆไม่สงสัยเพราะเหตุนี้เองเราจึงไม่กล้านอนบางคืนกางวันหนึ่งไม่กล้านอนอย่างนี้มันรู้อยู่ชัดชัดอยู่ว่างไงตัวเท่าหนูแล้วก็ตามก็มันรู้จะให้ว่างไงอีกมันรู้จริงๆนี่เป็นแต่เพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยกันหลามันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มัน ละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่างนี้นมันก็คุ้ไม่ได้จะว่าไงนี่ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองถึงได้มารู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเรียงว่าโรคหัวใจเป็นแค่เ 98, 98ก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเขาบอกไม่ถึงเก้าสิบเก้าเหมือนค่าที่เหยยดล้งผือแล้วว่าแต่ก่อนมันโบราณมากเป็นจริงๆมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนะคำว่าเก้าสิบแปดมันคือ มันปล่อยเข้าไปหมดแล้วนี่แต่มันมันตรงนี้ไม่ปล่อยเนี่ยเป็นเป็นทุกขเวทนาอย่างละเอียดอยู่ที่ภ า, ายในของหัวใจนะ ก, กลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาอยู่นี้ยังไม่ปล่อ ย, ย 9.8 พอปล่อยนี่ภาพมันกับ 9.9 พอร้อยก็คือจิตดีดออกทานั้นเองก็เป็นร้อยนี้จิตยังไม่ออก เียงว่าปอดเขารับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนต้นไม้ตน้นปืนแต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่อยู่ภายในนั้นไมเดีย๋ยังไม่ออกก็เรียกว่าก้าอยู่ก้าเพราะขยับนั่นก็ร้อยเอร์เซ็นเรื่องของโรคหัวใจนี่มันก็เป็นได้ขนาด น, นั้น อัะไรก็ตามเท่าเราวันเป็นล้ว ม, มันก็มันก็ยอมกับคนเรายอมได้ยอมทั้งนั้นเนี่ยไม่ทราบจากฝืนความจริงไปไหนอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบางคำไม่ไปสักคนไปเดี๋ยวนี้ถนะ้ายาลอนะั่นยารอนะั้นคืนสุดท้ายนั้นหม่ท่านเอาอยัาหนหมั่นดะูนะเอาคุมไม่ทํำไม่อาคุ้มอะไรยารอนะพุ่นขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวขอท่านท่านไม่ได้บอกท่านนี้ก็เอาคมไม่ทำไม่ รอหนานรีบเอาไปหนานี่เอาไปหนาว่านี่หนะนี่ถ้าบอกว่าให้รีบเอาไปหนะผมไม่ได้หวังจะมาตายที่นี่นานั่นนี่ไม่ใช่สกุลนะนัะ่นโดยเวลามาเป็นเขาเราเข้ามันก็ยอมรับอ๋อคือมันล้างกันไว้เนี่ยเมื่อมันหมดกั็ล้างแม่ตะวุ้นเจ้ายังนี่ผ่านเมาแล้วพวกเราเรานี่เป็นตัวเท่าหนูมันทําไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยทันทีนี่เวลานี่มันยังไม่หมดความสามารถให้นี่เอาไปเสียนี่ความหมายว่างกัน ภานหนาแ น, น่ทุกวันทุกวันนั่งราก็ยิ่งรับมันมา ก, ก็ยังเห็นนี่แหละมันเยอะแยะเยอะแยเนี่มันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรขว้าววัดปฏิบัติดูกันนะอย่าให้ได้หนักใจนะทําอะไรอให้ดูกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยา ด, ดํโยมอย่าไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทําหน้าที่ของเราไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะ ไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอยาเป็นข่านะเห็นแล้วไลออกถากวันเลยนะผมผมพูนกรงนะมันขวางตายห่งยิ่งจงประจกประแจงนั่นเด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะั่นเนี่ยงัวขัดเป็นขนาดนั้นนะมันสะดุดเรื่องมันอะไรกับตาเนี่แล้วเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมาสักพอแล้ว กปจกแปะแจงเนี้อแข้งเดืยอขาอย่าให้เห็นเป็นอย่าให้มีเป็นการนั้นในวัดนี้ทาที่จะราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นจึงสำคัญตรงนั้น